แสดงควาเขียนมาดูค่าจบแล้วจบแล้วก็จะถามปัญหาเลยมาเปิดมาดูที่ธธวัวออสดวิ ธ, ธีนะครับหนึ่งร้อยหคสิบเก้าวัวสวิธีหน้าหนึ่งว้อหสิบเก้านะครับอใช่ไหมตรงข้อที่แปดข้างล่างนะครับแปดที่สื่อรูปใด บอกอุตริมนุษยธรรมแต่อันุปสมบันิถ้าเป็นเรื่องจริงต้องอาบัตปาจิตติครับ น, นี่นะมันใช้คําว่าบอกไม่ใช่คําว่าอวนนะครับถ้าคนที่มีอุตริมนุสธรรมจริงคือใครก็ได้แก่ผ้าเรียบคนนะครั บ, าบอามบัตอภิญญาเนี่ยพวกนี้นะครับมีจริงเพราะถ้าคนที่เขามีจริงเขาได้จริงเขาจะไม่อวนนะยิ่งถ้าเป็นผ้าเรายนะครับ จะ่าอวคุณพิเศษอะเงี้เพราะเห็นแก่หน้าแั่การหนาชื่อเสียงอะไรเงี้ยไม่มีนะครับไม่มีนะอันนี้กิเลสอย่างนั้นนะครับถ้าไม่มีการทำอย่างนั้นหรอก <c oughs> แต่ว่าทําไมมีการบอกอตอนนี้แกนี่มาสอบบัลได้บอกได้นะเพราะว่าตอนนั้นพุทธเจ้ายังไม่ได้มีญาสิกขาหมทท่านจะบอกได้ในกรณีที่ท่านไม่รู้สิกขาบท น, นะครับและเข้าใจว่าการทําอย่างนี้มันมีโทษ น, นะก็เลยทให้มีการบอกได้นะครับอันนี้ <c oughs> แล้วก็สิขาวันนี้จะเป็นไรนะัอจิตตกะนะครับมีแต่ฝ่ายที่ไม่มีจิตอย่างเดียวกายวาจากายวาจาไม่มีจิตเลยนะครับเพราะท่านรู้ท่านจะไม่ทำอย่างแน่นอะนจะเป็นผ้าอนิยาาคนดีบุคคลผู้ได้ฌา<ม>นผลิตเนาะก็ไม่บอกถ้าคนนี้เข้าได้ฌานนะฌ า, านนะเป็นอะไรนะเป็นความสุขที่ละเอียดแล้วก็ประณีตยิ่งกว่ากรรมคุขนนะครับไอผู้หลักศรักระที่เสียเมกามุขุณใช่ไหม เขาไม่ลดตังมาเอาพวกนี้นะครับเพราะเขาในความสุขที่มันประนีตแล้วก็ยิ่งกว่าอยู่แล้วนะเขาจะไม่บอกนะเนี่ยจะบอกได้ในกรณีนี้แล้วถ้าบอกว่าถือว่าผู้ได้ฌานนะถ้ารู้ทั้งรู้นะครับว่าเป็นอาบัติแล้วก็ยังมีการล่วงละเมิดได้นะนะครับเขาบอกว่าจิตที่ล่วงละเมิดนะครับภาพบัญยัณ น, นะจิตที่ล่วงละเมิดข้อบังคับของพระพุทธเจ้านะครับ ตอนนั้นเป็นอากุศลมีกําลังนะถึงแม้ไม่ได้ชานช้างก็จะเสื่อมนะครับนี่ธรรมดานณขณะนั้นนะครับพนเพราะฉะนั้นทีนี้ก็ไม่มีฝ่ายที่มีจิตนี้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องจริงด้วยถ้าเรื่องไม่จริงที่ไม่ต้องปรานเชิดนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องอาบัตปาจิตติก็มีได้นในกรณีที่อะไรในเรื่องที่เกิดขึ้นเนะี่ยถ้าไม่ได้ไปบอกไปอวดเองนะยูดีมีพระลูกอื่นเข้ามาอวดให้ท่านนะครับ ว่าโยมพระรูปนั้นรูปนี้นะคูบาอาจารย่นี้ท่านเป็นพระอริยะครั้งคันนี้ก็ว่าไปนะครับแล้วคนที่ถูกอวนเป็นพระอริยงจริงๆนะและโยมก็ไปถามท่านท่านเนี่ยเข้าว่าท่านนี่เป็นพระอริยะใช่ไหมเป็นพระสุวดามันใช่ไหมนี่ครับท่านก็รับนะครับรับว่าใช่โดยคิดว่าไม่มีโทษนะไม่มีใจที่จะอวดเขาถามแล้วก็บอกไปนี้ก็ต้องอาบัตินะครับ <c oughs> ไม่ได่เป็นรื่จริงนะครถ้าบอกว่าไมใใ่ใช่บอเป็นมุสาครับแต่ท่านถ้าก็ไม่มุสาแล้วนะร่ า, นางนด้แล้วนะครับ้าพระนี่มุคคลนะนะครับไม่กัาเทนแล้วนีครับทีนี้อันนี้หมายถึงบอกแก่อนุปัสมบันนะครับต้องจัดสำเนลงไปนะถ้าบอกแกภาะด้วยกันนี่ยไม่มีอาบันนะครับไม่เหมือนปราชิีนอวดที่ไม่มีจริงใช่มอันนั้นจั่วกับใครก็แล้วแต่นะเป็นพระเป็นเนนเป็นโยม่ะ เป็นปรารถนาทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่ในข้อนี้เฉพาะบอกแก่อนุประสมบัติตั้งแต่ในลงไปถ้าบอกกับพระ ด, ด้วยกันก็ไม่ต้องอาบัตินะครับแต่ท่านก็ไม่บอกไม่อวดหรอกนะนอกจากว่ามีเหตุ น, นะครับเมื่อมีเหตุอะไรบางอย่างนะ่ะท่านก็จะมีการบอกอุตริมุสธรรมแก่พระ ด, ด้วยกันนีได้เหมือนกั น, นครับไม่ต้องอาบัตรนะธรรมนั้นจะไม่อวดจะไม่บอกใช่ไหมแต่เมื่อมีเหตุบางอย่างก็จะบอกได้เช่นมีเหตุอะไรนะครับ มีเหตุก็คือท่านรู้ว่าบุคคลนี้นะ่ะเป็นผู้ที่ตั้งใจนะตั้งใจปฏิบัตินะครับตั้งใจศึกษาปฏิบัติเอาจริงเอาจังนะเพื่อต้องการรู้มรรคผลนิพพานนะครับท่านก็จะแสดงให้รู้ว่านะท่านก็จะบอกอตรีมุสธรรมนะครับเพื่ออะไรเพื่อนะครับประกายให้เขารู้ว่าการปฏิบัติในพระศาสนานนะเป็นสิ่งที่ไม่ไร้ผลนะครับมีผลยิ่ง คนนี้ปฏิบัติจนได้มารู้นะได้ได้มารู้ธรรมทางระยะนี่ก็มีนะครับคือตัวท่านนหะเป็นสังขีพยายนยืนยันเลยใช่ไหมนี่นะครับเพื่อประกาศว่าการปฏิบัติในาศาสนาเนี่ยเป็นสิ่ที่ไม่ไร้ผลอันหนึ่งเรื่ออย่างนก็คือเพื่อให้เขาเกิดสาหะนะครับเกิดความพยายามเกิดศรัทธากำลังใจนะในการปฏิบัติธรรมนมากขึ้นเพราะว่าเห็นว่าคนนี้ปฏิบัติแล้วมารู้จริงมีทีน่นี่นะ ถ้าก็จะมีการบอกกันได้ครับบอกกับพระด้วยกันนี mm ่แหละหรือว่าถูกลบเล้าในตอนใกล้สุริยพาน่ะเขาพระก็มาถามเนี่ยท่านได้บรรลุ ป, ปัญาอะไรนะครับบางทีแล้วก็ในกรณีที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเคยได้ยินไหมครับที่ว่ามีพระโสดาบันกับพระอาหารหันต์แล้วก็พระโสดาบันไปกาดูพระอาหารห mm ันต์ไม่กาดูไปว่าร้ายพระอาหารหันต์นะครับที่ว่ามีพระโสดาบันแล้วก็พระอาหารหันต์ เขาเป็นชาวบาในหมู่บ้านด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็ได้ข้าวต้มมานะทีนี้พระอรหันต์น่ะท่านเกิดโรคลมอะไรสักอย่างน่ะหิวกระหายมากใช่ไหมครับมสมควรจะมีลมในท้องนะท่านก็ไปนั่ง่ที่ข้างหนึ่งนะส่วนข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดื่มข้าวต้มข้ายาขู่นะทีนี้พระโสดาบันนะครับพอเห็นนาการนี้ก็ว่าท่านเลยนะว่าอะไรพระแก่ทำไมมาทําอย่างนี้ เนี่ยกาลังมบิดาบา่าท่านไม่ไมแ่แหวกออกจากทางไปฉันทางทางอะไรอย่างเงั้ยนะว่าพระอรหันต์เลยนะครับเนี่ยท่านก็เลยท่านก็เลยบอกนะท่านก็เลยบอกว่าท่านท่านถามก่อนว่ามีที่พึ่งในศาสนาหรือนะครับพี่สิุณ์นั้นก็บอกนะครับว่าเนี่ยผมเป็นพระสุดาบันนะพระอรหันต์ก็เลยบอกว่าท่านไม่ต้องพยายามเพื่อให้มารุมมั่งผลที่สูงๆยิ่งไปกว่านี้เลย นเี่ยพราะบอกพ่ออะไรเพราะว่าท่านได้การ์ดตู่การ์ดว่าร้ายผ้ารหันไปแล้วครับนี่นะถึงแม้เป็นพ่อสวดาบานแล้วนะครับท่านมีการไปว่าร้ายผ้าเริยะที่สูงกว่าตนอ่ะก็ยังกั้นนะครับไม่ได้การสวรรค์แล้วนะสวรรค์ท่าไปแน่นอนนะครับพ่อเป็นผ้าเริยะแล้วแต่ว่ากั้นการบรรุมรรผลที่สูงขึ้นไปครับบรรลุไม่ได้นะเพราะในถึงขนะไปว่าร้ายผ้าผารหันนะครับเนี่ย เพราะฉะนั้นนี่นี่ก็หนันะเกี่ยวกับการว่าลายพราริยเจ้านะครับเราจะเจอเรื่องไหนนะนีนะ่หนักนะครับเป็นอายุกว่าระเขาอนั้นเป็นก็เป็นครับแล้ว่าวพระโสดาบันทํากับพระอรหันต์นะก็ไม่กั้นสวรรค์กั้นแต่บั่งผลที่สูงๆขึ้นไปนะครับชาตินี้คืนยังไงก็มรุสูงกว่านี้ไม่ได้นะแต่ชาติหน้านัา้นได้ครับเใช่ใช่ขนาดนั้ น, น, น, นแล้ ว, นนนลวครับนี่อันนี้อุ้ยหนักนะ แต่ว่าพอท่านรู้อย่างนั้นท่านขอเข้ามานะพอขอเข้ามานั่นก็หายนะครับก็ไม่กั้นอะไรแล้วเนี่ยท่านก็จะมีการบอกได้ในกรณีนี้นะพอนนี้ก็บอกก็เพื่ออนุเคราะห์รูปนั้นแหละใช่ไหมคะไม่เป็นโทษเป็นภยนัยของเขานะก็ขอเข้ามาแล้วกรรมจะได้หายนะครับอธิเท่ทษ่วงเกินไปนะจะได้มันเป็นโทษเขานี้นะจะได้ตามบุติธรรมนาะท้าก็ไม่ไปเที่ยวเกือบช่อยบอก อ, อะไรนะครับ ทีนี้เรามาดูต้นบรรย่ญญางนะครับมาสักันบย่ญญางนี้มาจากพิสุชาววชีนะฝังแม่น้าวคุ ม, มุธาไม่ใช่วชีนะเรื่องของพวกพิสุฝังแม่น้าวคุ ม, มุทาโดยสมัยนะั้นเมื่อพระพุทธเจ้าประทําอยู่หน้ากูตาคารศาลาป่ามหาวันเข็บพระนครเวสาลี ทั้งนะั้นปิสุมากรูปด้วยกันซึ่งเคยเห็นร่วงคบหากันมาจำภาษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวะคุมุธาก็แลสมัยนะั้นว่าชีชนบทอัตาคันอาหารประชาชนหานิ้งที่ฝึกเครืองมีข้าวตายฝอยเพราะว่าฝนไม่ตกต้องตามฤ ด, ดูกาล น, นะครับแห้งแล้งมากนะขณะข้าวที่เขาปลูกแล้วนะครับตอนแรกมีนะ้ำใช่ไหมพอฝนแล้งปุ๊บแล้ข้าวมตายหมดเลย ต้องมีสลากซื้ออาหารนะเพราะว่าอสังคั้นจริงๆนะครับก็จะมาขายเพื่อนไม่ได้นะั่นคนอื่นก็ไม่ได้นะครับจะไปซื้อตุนเก็บไว้ที่บ้านนี่ก็ไม่ได้ไต้องทําสลากแล้วก็ไปซื้อการต่างราดับนะแล้วก็ซื้อ ไ, ได้แค่ไหนนะครับไม่ต้องมีจํากัดแล้วทีนี้ขนาดชาวบ้านเป็นขนาดนี้นะแล้วพ้าดจะขนาดไหนครับเนี่ยท่านอเพราะชาวบ้านใสชาวบ้านดีชี่ใช่ไหมชาวบ้านก็ลงบาก น, นะครับ พิสุสงจะย่างตะพ่ายเป็นไปด้วยการถือบาสวาหาก็ทำไม่ได้ง่ายจึงวิสุเล่านั้นคิดกันว่าบัดนี้ว่าชีชนบุตรอัตคันอาหารประชาชนหาเงิงที่ปลิดเครื่องมีข้าวตายฝอยต้องมีสลากซื้ออาหารพิสุสงจะย่างตะพ่ายให้เป็นไปด้วยการถือบาสวายหาก็ทำไม่ได้ง่ายพวกเราจะเป็ น, ปนผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่มิว่างกัน อยู่จำพรรษาเป็นผ้าสุขและจะไม่ลําบากด้วยบินธบาดด้วยบาอย่างไรหนอนนะครับเขาก็มาประชุมปรึกษาหารือกันนะอย่างนี้นะครับว่าเนี่ยจะอยู่ยังไงเกิดเหการณ์นี้นะใช่ไหครับจะอยู่ผ้าสุขแล้วก็ไม่ลาบานะก็ท่าในที่ประชุมนะมนติของที่ประชุมก็มีพิสูจนบางพวกเขาเสนอขึ้นมาอย่างนี้นะว่าอาวุโสทั้งหลายพิดฉะนั้นพวกเราจงช่วยกันอํานวยกิจการเป็นหน้าที่ของพวกค้าราชกเถอด เรื่องก็เหมือนกับในประราชีพอดีสี่ใช่ไหมเหมือนกันนะครับอานวยกิจการของพวกคดีทหารก็คือคอยบอกคอยแนะนําวิธีการทํามาหากินให้เขานะครั บ, รบอ้าวยอมหน้านี้นะยอมต้องปลูกอะไรล่ะปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวทํานี่เธอลง ท, ทุนทําธุรกิจอย่างนี้นะครับบอกแนะนํำคนะแล้วก็บอกแต่ละคํานตอนแต่ละคํานตอนบาะเข้าไปนะครับคอยช่วนะ ย, นนอ ย, อยเหลือนะคอยแนะนำเขาอยู่เรื่อยๆนะครับ ช่วงงานที่เขาทำนะจนถึงที่สุดอย่างนี้นะต้องใส่ปุ๋ยอย่างงี้พรนดินอย่างงี้นะข้าวมันโตขนาดนี้น้องทําอย่างนี้นะนต่นน อ, อ, น, อ น, นะครับเนี่ยนะถ้าไม่ได้ไปทําเองอะนะไม่ได้มาช่วยเขาไถานาเกี่ยวข้าว <c oughs> เหมือนกับที่ออาเอ า, เอาขาทีวีหรือเปล่าครับมีผ้าเขาไปส่งเสริมไม่ยอมว่าทำเกษตรเนะี่ยเลยมาช่วยเขาเกี่ยวข้าวทานาอย่างนี้นะมีนะคะอนะันนั้นแต่นี่เขาไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะ ก็ละคอยบอกวิธีการอยู่เรื่อยนะครับ่ินลเนี่ะเอออืมย่วอ๋อทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นนะพวกเขาจะมุ่งถวายบูดาแก่พวกเราเขาก็จะเกิดมุ่สุธาเลื่อมสายใช่ไหมเอาเอาหามาถวายเราด้วยบาอย่างนี้นะพวกเราจะเป็นผู้พร้อม จะเป็นผู้พร้อมเพียงกัน ร, ร่วมใจกันไม่วิว่า ก, กันอยู่จำปรญหาเป็นภาสุขและจะไม่ลําบากด้วยวิาบาศาแต่พิสุบางรูปพูดอย่างนี้ว่านะครับมาติที่สองบอกว่าไม่ควรทั้งหลายจะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกำเนิดกิจการอาจจะเห็นว่าโอ้ลําลบากเานะนั้นต้องคอยบอกคอยแนะนําเขา อ, อยู่เรื่อยนี่นะไม่เอานะครับไม่เอาวิธีนี้อันเป็นหน้าที่ของพวกขัิหันนะท่านทั้งหลายพีเะ่นนั้นพวกเรา จงช่วยจำนว น, นข่าวสารอันเป็นหน้าที่ทูตของพวกคเรือหัตเธอรนะครับมันสบายกว่าหรือว่าลําบากกว่าเป็นทูตเดินส่งข่าชาวบ้านนะครับนี่เลยอันนี้มติสองนะก็บอกเมื่อเป็นเช่นนั้นแหละนะเขาจะมุ่งถวายบิณฑบาตแก่พวกเราด้วยบาญอย่างนี้พวกเราจะเป็นผู้พร้อมเพียงกันนี่ก็เหมือนกันนะครับพร้อมือกันแต่ว่าพวกที่สามนะครับก็พูดขึ้นอย่างนี้ว่า อย่าอะไรท่านั้งหลายจะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันอํานวยกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกครือหั์จะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันนําข่าวสารเป็นหน้าที่ทูตของพวกครือหัดท้านั้งหลายคืฉะนั้นพวกเราจะกล่าวชมอุตริมนุษธรรมของการละกันแก่พวกครือหัดนี่วิธีนี้ดีกว่านะครับไม่ได้กล่าวชมของตนนะแต่กล่าวชมของกันและกันนะครับให้ชาวบ้านรู้นะ ว่าพิสูรรูปนโนได้ปฐมฌานรูปนโนได้ทุติยฌานไล่ามาเรื่อยนะตาาะเตียทุติยฌานตเตียฌานจะตุถะฌานนะครับรูปนโน้นเป็นพระโสดาบันรูปนโน้นเป็นพระสกท า, าคามีพระอนาคามีพระอรหันนะรูปนโน้นได้วิชาสารูปนโน้นได้ปัญญาหกดังนี้นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาจะมุ่งถวายบินาบาบแก่พวกเราด้วยบายอย่างนี้พวกเราก็จะพึงเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกัน ไม่มีว่างการอยู่จําัสสาเป็นหาสุขและจะมาลำ บ, บากด้วยวินทะบาลนะครับโอ้มาที่ที่สามมีแบบโ อ, อ้หไม่ใช่ธรดาครับท่านบอกว่านะการอุลตริ่นนะอุลตริ่นองค์คุณวิเศษนี่นะครับเป็นมิจฉาชีพขั้นสุดยอดนะครับและใช้ได้เสมอนะตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วก็มีแล้วใช่ไหมครับจนถึงสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับเนี่ยนะ หรือไม่ใช่อาชีพขั้นสูงยอดแล้วม่ธรรมดาแล้วคนก็สัทธากันมากนะครับพอรู้ว่ามีครูบาอาจารย์ผ้าอะไรใช่ไหมที่มันได้มานู่งเน่าอะไรอย่างนี้นะนะครับมันก็มีโยมโยเนรที่เาเปิดเผยเขาเป็นเอหอว่าเป็นอะไรนุ่มสิ่ของอาจารย์ลุ่มสิ่งอีกรย่างคนพอรู้มากว่าเป็นอนาคมแต่โจ เขาไม่มีพิเศษเลยในตัวเองแคิบัติธรรมธรรมดาคือว่าไม่มีอะไรเลยแต่เขาเรื่องทามติดที่เขาเขาทงมคือศิษเขายกยกอาจารย์ขึ้นใช่ไหมให้เป็นอนุญาตเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาใช่มครับเขาที่่านมาเปิดเผยมาเว่าเจอ้ไยิงว่าเขาเป็นธถานการณ์แต่เขาไม่มาปิบัตไม่ก็ว่า อข่าวข่าวข่าวข่าวดีนะข่าวงั้นเนี่ยแต่สิ่งพวกนี้คิดอย่างนี้นะครับที่สูตรล่านั้นมีความร่วมกันในที่ประชุมก็ตกลงอ่ามติที่สาเนี่ยมันสบายง่ายที่สุดนะและเห็นว่าเนี่ยมันจะสําเร็จผลได้มากที่สุดนะครับอุปโสทั้งหลายการที่พวกเราพางกลางชมตริีมุสธรรมของกันและกัน แก่พวกกระหันนี้แหละประเสริฐที่สุดนะครับโหในดีที่สุดแล้วแล้วก็พากาลสำนักเสริมสริมสุธรรมของการแล่กันแก่พวกคระหันว่าพิสุนุนได้บุตรมชานเป็นต้นนะก<ส>็กล่าวนะครับทีนี้พอดีน่ะพะิสุที่ถูกอวดนะครับถ้าไม่ได้อวดเองนะมันมีทั้งปุรุชนและก็ผ้าอนิ ย, อย่างที่นี้ใช่ไหมผ้าอนิย่าถ้าไม่โ อ, อ้อวด น, นะครับมีใน่ปุริชนอ่ะที่ควาโอ้อ้วนลุม น, นั้ น, นลุม น, นี้ลุมนู้นนะ ได้เป็นอนิย่าได้ชาได้ปัญญาได้วิชาอย่นี้นะครับพอดีว่าคนที่โดนอ้วนนะเกิดเป็นผ้าอนิย่าเข้าจริงๆนะครับนี่นะครับนี้ถูกอว้วนนะเป็นผ้านอนิย่าจริงนะครับอันนี้ทำไม่ได้อธิบายนะนะอธิบายนด้แต่กรถานะครับชาวบ้านเขาก็เลยเขาก็เลยมาถามท่านไงมาถามท่านว่าเอ้านี่เขาว่าท่านเป็นผ้าอนิย่านะจริงหนือทนก็รับว่าจริงนะครับ เพราะนั้นสิขาพระพุทธเจา้านี้ไม่ได้ทรงมันญยัติไว้และถ้านก็เข้าใจว่าการกาะทำอย่างงี้เป็นสิ่งที่ไม่มีโทษนะครับพราะเขามาถามก็บอกความจริงไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้บอกเพราะว่าเห็นแก่ปากไก่ท้องหรือต้องการรักษาการาอะไรไม่ใช่นะครับท่านก็บอกไปตามที่เป็นจริงแค่นั้นเองทีงนี้นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วชาวบ้านเขาเป็นยังไงขั้นต่อมาประชาชนหลานนันพานกันยินดีว่าเป็นรากของพวกเราหนอพวกเราได้ดีแล้วหนอ ที่มีพิสูจทั้งหลายผู้ทรงคุณวิเศษเห็นปานนี้อยู่จำพรรษาครับเพราะก่อนแต่นี้พิสูจนทั้งหลายที่อยู่จำพรรษาของพวกเราจะมีคุณสมบัติเหมือนพิสุจน์ผู้มีศีมีการณธรรมเหล่านี้ไม่มีเลยนะครับโอ้นไม่ใช่ธรรมดานะอพอชนะสิ่งที่พวกเขาจะถวายแก่พิสูเหล่านั้นพวกเขาไม่บริโภคด้วยต่อคือทำไว่อย่างดีอย่างประนี่เลยนะครับตนเองก็ไม่กินนะดีขนาดนี้นะ ไม่ให้มาดาบิดาบุตรภรยาคนเล่าใช้กรรมกรมิตรอมาลย่าสารโลหิตไม่ให้หทั้งนั้นนะครับเตี๋ยววิจพ่อพระวิสูจน์วิจพ่อนะพอพระอนุญาตนะครับพระที่มีมิเศษเนี่ยใครได้บุญเยอะๆใช่ไหมของเคี้ยวของลิม้มน้ำดื่มชิดที่พวกเขาจะถวายแก้ววิสู่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาก็ไม่ดื่มเองไม่ฉันเองนะแล้วก็ไม่ให้แก่มิตรอมาลย่าสารโลหิตเป็นต้นด้วยนะครับตั้งใจมาถวายพระวิจพาะเลย จึงไปสู่เหล่านั้นใช่ไหมได้แต่อาหารที่ดีๆนะครับผู้ชนะที่ดีๆเนี่ยนะก็เลยเป็นผู้ที่มีหน้ามีนวลนะครับผิวพรรณเนี่ดูมีหน้ามีนวลนะมีอินทรียผ่องใสมีสีน่าสดชื่นมีผิวพรรณขุดผ่องนะครับทั้งที่เป็นสมา่าตระฆาตอาหารนะทัวันนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลทีนี้นะครับประเพณีการข้าวข้าวพระเจ้า ท่านบอกว่าเนี่ยคุณสมัยก่อนนะครับพิสัหลายพอออกพรรษาฟองาออกพรรษาเสร็จแล้วนะก็จะเข้าไปเป่าออพิธีการนะครับอันนี้นัน้นเป็นปบทเพลงองีกอันพิสุทธสมัยนั้นนะครับก็คันพิสุทเหล่านั้นจํำภาษาโดยร่วงไตรมาแล้วเก็บศาสนะถือบาจีวรดิไปดูมกักคาอันจะไปสู่พระนครเวสาลีครับถึงพระนครเวสาลีป่ามหาวันกูตาคาสารโดยลําดับ เข้าวเฝ้าพุทธภาคเจ้าวถวายบังคมแล้วนั่งเฝ้าอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งนะครับก็โดยสมัยนั้นแหละพิสุผู้จำภรษาอยู่ในทิศทั้งหลายเป็นผู้พร้อมผู้ซีดนะครับพราเป็นสมัยตะขาอาหารใช่ไหมได้อาหารน้อยนะก็เลยเป็นผู้ที่ผอมนะมีผิวพรรณหมองมีเหลืองรึ่นเหลืองขึ้นมีเนื้อตัวสั่งพังโดยเอ็นขนาดนั้นเลยนะครับเพราะความได้อาหารน้อยจริงๆนะ ส่วนพิสุพวกฝังไม่นำม้ำวาคคุมุตตเป็นผู้มีน้ำนวดมีสีผ่องใสมีสีหน้าสดชื่นมีผิวฟันผุดผ่องมันก็เลยแปลกใช่ไหมหรือไม่พิเศษมากนะครับจะบอกว่านะครับอันการที่พุทธเจ้าพึงว่าภาพพุทธเจ้าทรงปราัยกับภาพอนุตตร์การทั้งหลายนั่นเป็นพุทธประเพณีนะครับพุทโธ ก, ก็ทรงปลาัยกับพิสุอนันตุ์การทั้งหลายนะที่มาเข้าเฝ้าองค์นะครับ และก็นะครั้งนั้นพระเจ้าตัดถามวิสุทธ์พวกฝังไปนวะว่าคุ้มุท่าว่าดูก่อนวิสุททั้งหลายร่างกายของพวกเธอยังพอทนได้หรือยังพอ้อยเป็นไปได้หรือพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่วิบากกันอยู่จําปรรษาเป็นผาสุขและไม่ลําบากด้วยบิดา บ, บาหรือนะครับที่สนนั้นก็กลาบทุนว่ายังพอทนได้พุทธเจ้าข้า ยังพร้อมคุไปได้พุทธเจ้าข้าอันหนึ่งพวกข้าพุทธเจ้าเป็นพวกพร้อมเพียงการร่วมใจกันไ ม, ม่วิวาดการอยู่จำมัสสานเป็นฐาสุขและไม่ลำบากด้วยบิดาบา พ, พุทธเจ้าข้านะครับนี่นะท่านก็อธิบายว่านะครับพระตรามก็ตั้งหลายทรงทราบอยู่ย่อมตัดฐานก็มีทรงทราบอยู่ย่อมไม่ตัดฐานก็มีนะครั บ, ร ท, ร ท, รนะรบท่านนิพพวนบางอย่างคงรู้ใช่ไหมตัดฐานก็มีนะครับไม่ตัดฐานก็มีทรงทราบ Uh, ทรงทราบการและตัดฐานก็มีทรงทราบการแล้วไม่ตัดฐานนะครับไม่ตัดฐานพระารรม ก, ก็ต้งหลายย่อมตัดฐานสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ตัดฐานสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระธรรมก็ทรงกําจัดด้วยข้อปฏิบัตินะครับก็มีอะไรนะการเมียสิกขาบทห้านะครับคุณต้นนะเมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงสอบถามพิสูจน์ทั้งหลายด้วยอาการสองอย่างนะ ที่พงศ์จะสอบถามพิสุทธินะครับก็ได้เหตุสองอย่างนะคือจะทรงสแสดงทำอย่างหนึ่งจะทรงบัญญัสิกขาบทแก่พระสาวาทั้งหลายอย่างหนึ่งนะครับข้ารัตนุนจารก็เลยตั้งถาม <c oughs> พิสุทธพวกฝังไว้นะว่าคุ ม, มูธา น, นะครับว่าด้วยความพิสุทธิ์ทั้งหลายพวกเธอญผู้พร้อมเพียงกัน ร, ร่วมใจกันไม่วิบางกันอยู่จำปรญหาเป็นฐานสุขและม่ลำบากด้วยวินธรรมะด้วยวิธีการอย่างไรนะครับ พิสูวน์นั่นก็ได้กลามทูนะเรื่องราวความเป็นมาให้หมดก็ทํำยังไงเนี่ยถึงได้อยู่อย่างนี้นะครับอ่าพุทโธ ก, ก็เลยตายว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายคุณวิเศษของพวกเธอนั้นมีจริงหรือมีจริงว่าพุทธเจ้าข้านะครับคือรูปที่เขามีคุณวิเศษจริงใช่ไหมเป็นพระอริยบุคคลหรือวัไดไรชาเ น, นีันก็ต่อบไม่น่ามีจริงนะครับพุทโธ ก, ก็เลยทรงติเตียนพิสูจนเหล่านั้นนะครับแต่ในคําติเตียนเนี่ยไม่มีคําว่าโมฆะบุรุษนะ พอมีพา้าอาลีบบุคคลนอยู่ด้วยนะครับนะถ้ามีผ้าอาลีบาบุคคลหรือว่าผู้ได้ชาอะไรอยู่ด้วยเนี่ยพระองค์จะไม่ตัสว่าโมฆะบุรุษนะครับเพราะว่าไม่ใช่บุรุษผู้เหลียวป่าแล้วน ะ, ะเพราะเขามีคุณวิเศษจริงนะครับเนี่ยเราดูคนะดํานี้นะดูความที่สุทั้งหลายฉันใพวกเธอจึงได้กล่าวชมตริมุสสธรรมของการละกันแก่พวกคระลึกหัดเพราะเหตุแห่งท้องเล่านะครับเนี่ยแล้วก็ทรงมีสิขาบทนี้ขึ้นมานะครับ ทีนี้นั่นะมาดูข่าวที่บอกผมจะอ่านในข้อมอธิบายในสมบัาิให้ฟังก่อนนะครับหมายหนึ่งนะตอนนี้น่าสนใจนะครับก็องดูพูดถึง น, นะนะครับท่านบอกว่าจริงอยู่ชื่อว่าปยุญตาวาจาวาจาที่เปล่งข้อเห็งแห่งท้อง น, นะครับคําพูดที่พูดออกไปนะั่นเพรเห็นแก่ป่าแก่ท้องอย่างนี้นะ ไม่มีแก่พระริยะเจ้าเท่างหลายไม่มีแล้วท่านจะไม่ทำนี้แต่เมื่อผู้อื่นบอกคุณของตนเองท่านก็ไม่ห้ามคนเราอื่นทําไม่ได้ห้ามนะและยินดีปัจจัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นโดย อ, อาการที่ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นเพราะการบอกคุณของตนท่านไม่ได้ห้ามเพราะรังคีวันเนี่ยไม่มีโทษใช่ไหมแล้วท่านก็ยินดีปัจจัยเพราะว่าไม่รู้นะครับ ว่าปัจจัยทายธรรมที่เข้ามาถวายนะก็มาจากการที่คนอื่นไปบอกคุณของท่านอย่างนี้นะทีนี้มาดูคำอธิบายตัวนี้จะบอกว่านะ เ, าเพราะพระอริยเจ้าทั้งหลายฟังคําคนเราอื่น <c oughs> ใช่ไหมถูกพวกชาวบ้านผู้มีความเลื่อมใสฐานอยู่ซึ่งตอนแรกมีการอวดก่อนละอวดท่านด้วยใช่ไหมทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยมาถามท่า น, นครับ โดยในเป็นต้นว่าข้าแต่ท่านผเจริญได้ยินว่าพรผู้เป็นเจ้าเป็นพระโสนาบันหรือดังนี้นะครับมีปกติเห็นว่าไม่มีโทษนั่นเนี่ยท่านก็แจ้งว่าไม่มีโทษนะในเมื่อสิกขาบทที่ที่พระผู้พระาชเจ้ายังไม่ได้ทรงบัญญัตินะครับจึงปฏิญญาการวรลุคุมิเศษของตนและของคนหลออื่นเพราะเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์นะไม่ได้เห็นแก่ไม่ถึงเจ้าแล้วก็บอกตามความจริงที่นี้แหละ และท่านเหล่านั้นเมื่อปฏิญญาอย่างนี้แม้ยินดีอยู่ซึ่งปัจจัยที่ทบุรุษชลเหล่อื่นกล่าวคุณแห่งวิมสธรรมเพราะเหตุแห่งทองที่ เ, เกิดขึ้นแล้วด้วยความเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์นะครับถ้าไม่เห็นแก่ปางแก่ท้อง น, นะแต่คนที่เห็นแก่ปางแก่ทองหรือคนที่อวยให้ท่าน ค, คนที่อวยให้ท่านไหนเขาต้องเห็นแก่ปากแห่งทองต้องการได้รับสัการและอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ะเดิดอวยให้ท่าน แต่ว่าท่า น, น, นไม่มีท่านมีิบริสุทธิ์นะครับแต่ปัจจัยมันก็เกิดมาจากคนอวดให้ท่านอะไรนะท่านก็เลยบอกว่าจึงเป็นเหมือนกล่าวคุณแห่งอดิมสะธรมเพราะเห็นทหนท้องนะครับฉะนั้นภูมิภาคเจ้าจึงตัดโดยสัมภาษณ์สังคัยกันในในที่สงครอทั้งหมดนะพูดถึงทั้งหมดนะครับทั้งที่ภาริยามันได้เห็นแก่ท้องนะแต่พวกก็พูดรวมนะครับ ว่าคืกความวิสุททั้งหลายฉชนัยพวกเธอจึงได้กล่าวชมตรีมุสธรรมของกันและกันแก่ขลิขิตทั้งหลายเพราะเหตุแห่งท้องลอกดังนี้นี่นะคําที่เหลือก็เหมือนกับในปราชิกข้อที่สี่ต่อไปนะนี่มันมาดูราคาที่มาในการคาอะไรราาที่บ า, า, บาไม่เยอะนะ นหน้าหนึ่งละหกสิบนะครับกลางขาหนึ่งละหกสิบนะต้องมาดูกันนะครับว่าอะไรบ้างอันนี้ข้อ8ปอธิบายครูตาโรจนะสิกขาบทเขียนว่ามรรคผลนิพพานฌานสมาบัติอภิญญานะอันนี้เขียนคุมเลยนะครับเยอะเลยประมาณนี้แหละถ้าในภาคบาลีก็จะเป็นอะไรนะวิโมสมาธิสมาบัติฌานการทำมรรคให้เกิดการทำผลให้แจ้งการละกิเลสความเปิดจิต ความวิญญาณว่าล่าวด้วยบุตรมชาเป็นต้นครับอันนี้ิมสธรรมนะพึงสร้างวินิจฉนิสิกขาบทที่แปดต่อไปคําว่าอุตริมนุษสธรรมันได้แก่ธรรมของพวกมนุษย์ผู้ยิ่งยวดคือผู้ได้ฌานและพระอาริยบุคคลทั้งหลายตามลักษณะที่กล่าวไวแล้วในประราชิสิกขาบทที่สี่นะครับบ้างแล้วนะคําว่าภูตสัมิงปราจิตยามความว่า เมื่อคุณธรรมมีฌานเป็นต้นมีอยู่ในต้นนะแว้งพิสุทธิ์และพิษุณีเพราะว่าพิสุทธิ์และพิษุณีเราสามารถบอกได้นะคนที่มีท่านรู้ษาบอกได้ไม่เป็นอาบัตนะครับเมื่อพิสุทธ์บอกคุณธรรมนั้นแก่บุคคลอื่นคืออนุปสัมบานแต่เนลงไปในนะอันนี้ต้อบัตปา จ, จิตตนะิแห่เกิดและประเภทอาบัตสิกขาบท น, นี้คุณพาะเจ้าทรงปาแลว้วควบวิสุทธิ ผู้อยู่ลิงฝังไม่น้ําว่าคุมุทาครับชื่อว่าคุมุทาใกล้เมืองเวสารีทรงบัญญัติไม่แล้วเพราะเหตุที่วิสุเหล่านั้นบอกคุณธรรมที่มีอยู่ครับสิขาวันนี้เป็นสาธา ร, รณาบัญญัติที่สุนี้ก็มีนะครับ <c oughs> อนันติกะไม่เกี่ยวการใช้ใครอ้วนเป็นเองนะเหมือนกับข้อที่ปราชิม่มกันนะครับ <c oughs> ใช้นูกศิษย์วชให้นะอาจารย์ไม่ต้องปราชิกนะครับ คือว่าไม่มีนะไม่มีนะไม่ต้องนะครับอันนี้ใช้คื่นก็ไม่ต้องบัตรนะแต่ไม่มีนะครับท่ญญานหก่ปากแก่ท่อไม่มีเ <c oughs> มื่อจะบอกคุณธรรมมีฌานเป็นต้นที่มีอยู่ในตนตรงๆถ้าบอกแก บ, บุคคลใดบุคคลนั้นรู้เนื้อความน ะ, นะได้ทันทีด้วยการอย่างใดยอย่างหนึ่งว่าที่สูนี้ได้ฌานหรือรู้ว่าบุคคลนี้เป็นพระอริยเจ้า พอบอกเข้าไปแล้วเขาก็เข้าใจเลยจะไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยลูกนี้ได้อะไรเป็นยังไงนะครับ mm. พิสูจน์ผู้บอกนะั้นต้องบัตรปาจิตต้แต่ถ้าบุคคลนั้นไม่รู้นะอาจจะไม่เข้าใจอะไรโสดงโสดาอะไรไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เรื่องไม่เข้ใจนครับ <c oughs> อันนี้ต้องบัตรทุกกฏนะครับแต่ถ้าบอกด้วยอ้อนะผู้ฟังจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตาต้องบัตรทุกฏอย่างเดียว บอกเลยอ้อมเช่นยังไงนะครับจำได้มวงตะอ้อมนะเปลตัวเองนะข่าวโอ้ข้าศโน่นนะับหลานะครับเป็นอะไร้ชาะครับใช่กรใช่ครับถูกต้องอย่างนี้นะหรือว่าเป็นพระอรหันโยถ้าอยกุตีโยคุมาเล่น่ะโยรู้ไหมเนี่ยเป็นพระอรหันทร์นะนี่นะไม่ออกค ทันนี้ตัวเองเลยอยู่หลังนั้นนะครับโอ้ยเหลือเกิอันนี้ก็จะเป็นทุกกดนะบั่นเบาลงนะอนาบัตินะครับทีส่สูไม่ต้องอาบัตเมื่อบอกแก่อุปสัมบันตนะเพราะมีเหตุเช่นนั้นนี่เช่นต้องการให้รู้ว่าการปฏิบัติอย่างนี้จะไม่ไร้ผลเนี่ยแล้วรู้ว่าการปฏิบัติในภาะศาสนานะครับปฏิบัติจะเนสติปัฏฐานนะนะครับเจเริญอะไรนะ่ะ อไอ้นะสมถาวิปัสสนาไม่ได้ผลแน่นะครับเพราะผู้ที่บรร ล, ลุนั้นมีอยู่จริงนะมีสกิปรยาณนะครับต้องการจะให้เกิดความอฉสาหะในการปฏิบัตินะครับนี่นะให้เกิดฉลาะมีกําลังใจมศรัทธา น, นะครับในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไปนะเป็นต้นนะครับและพิสูทน์อธิกรรมมีกรไม่ต้องอาบัติในนี้ถ้าจะพูดถึงนะว่าเวลาใกล้ใกล้จะปรินิพพานนะครับ มนท่านก็บอกเหมือนกันนะเวลากล้เสร็จป ร, รินิพพานมีคนอืมารบเรา้าอยากจะรู้น่ะเขาสงสัยเอ๊ะทําไปผ้าหรือยาสิงหรือเปล่าเป็นอาหารสิงหรือเปล่านะครับเ้าก็เลยมาถามตอนที่ท่านใกล้เสร็ป ร, รินิพพานนะจริงอยู่พิสูจนผู้ถูกรบรา้านะครับถูกรบรา้าถามในเวลาป ร, ราินริพพานและในการอื่นจะบอกคุณที่มีจริงเกี่ยวกับสัมบันธก็คว ร, ครก็บอกกับผ้าผ้าด้วยกันนะไม่ได้บอกเก่ยวกในอันนี้ได้นะครับ อันหนึ่งอันนี้อะาทีนี้ฟังนะอันหนึ่งจะบอกคุณคือสุตานะครับสุตานะอ่าได้สดัดสัดฟังมากนะครับปริยัติและสีแม้แก่อนุปสัมบันิก็ควรนะรันี่นะไม่ใช่ตเด็ดมุสตะทำใช่ไหมเป็นพวกปริยะเรียนมากทรงจังมากเข้าใจมากแล้วตัวยังมีสีอย่างนี้นะครับอันนี้บอกได้ครับไม่ได้เป็นอาบัตินะแต่ถ้าจะบอกเขาย่างแก่ปากแก่ท้องนั้นก็ไม่ควรอยู่แล้วนะครับแต่พูดถึงอาบัติไม่เป็นหรอก มันมีลักษณะไงที่เราพูดถึงบุคคลนะปาปิดโฉแล้วก็ม่หิดโฉปลาปิดโฉคือผู้มีความประทันนาล้ามกมีความประทันนาชั่วช้านะครับพวกนี้ก็คือคนที่ต้องการอยู่บุคคลอื่นนะครับต้องการหบุคคลเขานะเข้าใจผิดนะครับต้องการให้คนเข้ารู้นะในคุณธรรมที่ไม่มีอยู่จริงนะครับต้องการคนรู้ในคุณธรรมที่ไม่มีอยู่จริงนี้นะ คนนี้เขาจะปาสิทธิ์โฉมมีความปร า, ารถนาลามกนะครับจนผู้ที่มีความมหิดโชมีความปรารถนามากมั่งมากานี่นะมีความปรารถนามากคือต้องการรู้ในคนที่มีอยู่จริงของตนแหละนะครับต้องการบุคคลรู้ในคนที่มีอยู่จริงของตนแหละนะเขาเรียกว่าไม่ไม่มักน้อยใช่ไหมไม่มักน้อยในคุณวิเศษอะไรต้องการจะอวด น, นะคะเรเนี่ยมหิดโชนะแต่ก็ไม่ต้องอธรรมนะครับอเป็นพ่ผู้ตรีมุสธรรมนะ ทีนีก้ก็กลับมานนะครับต่อไปอะไรอีกนะอ่าและก็นะครับและที่ส่วนอธิกรรมวิกาก็ไม่ต้องอาบัตก็พ่อผ้าที่ยบุคคลผู้เป็นบ้าเป็นต้นไม่มีใช่ไหมข้อนี้อาณาบัตจะไม่มีวิกลจริตนะไม่มีนะครับเป็นบ้าไม่มีพ่อผ้าที่ยบุคคลที่เป็นบ้าไม่มีนะเป็นถึงผ้าที่ยากแล้นนะครับถึงพร้อมด้วยสมาธิจิตสติปัญญาอะไรเงี้ยนะไม่มีนะครับไม่มีแล้ว เพราะนั้นไม่มีอนามบาริที่นี้นะครับส่วนบุคคลผู้ได้ฌานเมื่อมีเหตุที่จะเป็นบ้านย่อมสิืบสดฌาสีก่อนผู้ดได้ฌานใช่ไหมถ้าว่ามีเหตุอะไรสักอย่างที่ทำให้ต้องต้องเป็นบ้านต้องสืบฌ า, านก่อนนะครับถึงจะเป็นบ้านได้ถ้ากําลังได้ฌานอะไรอยู่นะนยังไงก็ไม่เป็นบ้านนะช่วงนะั้นจิตเข้าสูงนะบุรีคนที่เป็นบ้านที่ยากรรมเก่าเหมือนกันนะครับที่ก็เจยทําไว้กรรมอะไรเนี่ยที่ ท, ทำ้คนเป็นบ้านเ่ย ยกตัวอ ย, ยา่างสญากินเหล้านะทำ <c oughs> ให้ <c oughs> เป็นบ้านแล้วมีนะหรือปัญญาออกอย่างนี้นะเกิดมาปัญญาอ่อนก็เพราะว่าไปกินเหล้าอะไรเยอะนะ <c oughs> เข า, สาใส่หนึ่งอย่างหนึ่งนะเขาอย่างหนึ่งครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เข้ามาที่ไม่ได้เหมือนกันครับ เ, <c oughs> เราจะไปเจอข้างหน้าในสุราส่ะ <c oughs> เราะเนี่ยพทษจะเจอในในสี่ห้าจะพูดถึงไงโทษของ ไอชุระมีรายนี้เป็นยังไงใช่ไหมผมว่าเข้าอย่างนี้เนี่ยก็ทาให้เกิดมาเป็นคนบ้านไครับบ้าเออปัญญาอ่อนอะไรพวกนี้นะเคื่มเล่าอะไรพวกนี้สังคมพวกนี้เยอะนะครับการเป็นคนบ้าอไรเนยดือนก็คนที่กดจะหลีกถึบางสังคมครับแล้วยิ่งสอกสองคนเนี่ยไม่รู้ว่านั่นอะไรคือยังยามก็จะเป็ี่นเนี่ย เขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้เป็นผ้าอยู่นะตอนนี้ยี่สสามนาับก็แม่ชีแม่ชีมันจบรุ่งผ้ามันอบปวดผ้าผ้าเขาก็เริ่มบ้าเลยเขาว่าเขาเขาบังคับตัวเองไม่ได้ปลายเดินตามเนี้ยีอยู่นั่นปเลยเพราะี่กลัวเลยถอดถอดถอดจะโดนลูกไม่ฉีกลัว ท, <ะ>ที่เพชรดีจะมีสัจ า, จานิยมครับการอยูทท<ะ>ทท่ทั้นลู่แม่ชีก็เลหเหลือเกินนะแล้วก็เป็นรักพักนะแต<ะ>่ขเขากินยาไม่หยุดยไม่ได้กินยาลง<ะ>มือกับเราชวนมาที่นี่เขาบอกว่าเขาันเป็ น, น, นไขไขไข อ, อย่างนี้แล้วใครใครากไปชาได้กินยาเขาจะกลัวหรือเปล่า กูาจะเกิดอาการอย่างนี้หเป่เขาก็ขาดยาไม่ได้เลยครับพอต้องขาดยาเนี่ยเขาคุยตึงตึงตึงตึงระดับนี้ยัดีอยู่เขาก็พูดเรื่องธรว่าเรื่องธุมจากอะไรถูกต้ออยางไรอย่างไรเอ๊ะชักเลื่อยชักเลื่อยจะคุยไปเอ๊ะมันมันจะไปเรื่อยเละครับมันจเรื่อเทไทเทยไที๋ยวทุกอยู่เพิ่มเพิมดีกว่ากว่เนเเริ่มเริ่มพูดไม่รู้เรื่องครับพพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี้ย แดีวว่าเขาเขาตามเขรดเครื่องักครับแล้วเขาก็จะไม่ไม่รู้เลยว่าทาอะไรตันครับครับโอ้น่าสงสารแ่น <deuxième> ี้อมาแก็มีที่ตืไปแล้วเนะนั่นแ่ผ้าเลยโอ้ครับแ่ผ้าหนักไหมนะนี้นะไปให้ไม่ชีตื่นใด่ไม่ชีอยู่ตรงนี้ทังทักะอนนี้แหละครับให้ตื่นม่ชีขเขาตื่นให้ครับก็รู้สึกว่าเขาจะไปหา การขโมยรถคับที cứ, ่สมรมค่พรือว mm um, uh, um, anyway. ่าตอนนี้เขาเป็นนักเป็นไปเอาเบียงร์เบียง์มาบรรจุไว้จับอืมค่ะแต่ที้องวุเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยตอนนี้ค่ะค่ะโอ้น่าทู่งสานลาบากมากค่บ อันนี้ของกรเก่านูหนบางทีนะครับมันไปหนหายหารือบางคนก็โดอนอามันเข้าสินไปชอบพักครับไปนี้แก้อ้าหมดเลยแก้้ารูเลยโอ้ค่ะบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเขาไม่ได้ปโยมเขัคะไอ้มันคงงโยมเขาอ๋อครับครับนะทีนี้นะครัดังนี้พิสูจที่เป็นบ้าเป็นต้นเหล่านั้นท่านจึงไม่จัดไว้ในอนณาบัตของสิกขาบทนี้นะครับไม่มีนะ องอาบัตเ น, นสิกขาบทนี้มีองศี่คือ1อุตริอนุสัธรรมมีอยู่จริงของจริงนะครัจริง2บอกแกนอนุปสัสมบันิสอนุปัสมบันิรู้เนื้อความทันทีเข้าใจเลยสี่บอกตรงๆไม่ได้บอกในอ้อมนะครับเมื่อครบองศี่ก็ต้องบัตปาจิตติเนสิกขาบทนี้นะครับสิกขาบทนี้เป็นภูตาโรูจนะสมุทฐานเกิดจากสมุทฐานสามคือทางกายกาย่างเดียวนะ ทาวาจานะครับและทางกายกับวาจาข้อนี้ไม่มีจิตนะไม่มีจิตก็คือไม่มีจิตด้วยอำนาจแห่งจิตที่ไม่รู้ข้าบัญญัตินะครับควาไม่มีจิตที่นี้คือไม่รู้ข้าบัญญัตินะครับรู้ทั้งรู้ท่านจะไม่รู้ละเมอนี่อันนี้ไม่รูนะครับก็คิดว่าไม่มีจิตนะตอนนี้มีอยู่ข้อเดียวนะครับที่มีแต่ฝ่ายที่ไม่มีจิตนะเฉพาะข้อนี้นะครับข้ออื่ไม่มีนะลักษณะนี้เป็นกิริยานะครับต้องบกระทํา โนสัญญาไม่มอกไม่รู้ก็ไม่โพสอาชิตการก็ไม่มีจิตหน้าโดนปณิวติวัชฌ์ไม่ได้เป็นอกุศลอย่างเดียวนะอันนี้ไม่ได้เป็นอกุศลเลยนะครับใช่มไหมพอพูดในชฌา<ม>หรือผ้าอริยะเนี่ยต้องเป็นกุศลจิตหรือว่าอภยาการตากิริยาจิตอย่างนั้นนะครับอืนั้นจิงเป็นปณิวัติวัชฌ์อย่างเดียวการกรรมก็ได้นะครับบอกด้วยกายก็พยักหน้ า, านี่นะเขามาถามนะครับวาจีกรรมก็ได้ประกอบด้วยจิตสองคือกุศลจิตนะครับและอภยาการตาจิต มีเวทานาสองคือสุขเวทนาและอุเ บ, บิขาเวทนานะครับใช่ไหมทุกเวทนามีนะทษสามาก็มีนะเพราะกุศลอย่างเดียวสุดเวลาคือได้บอกข่า<อ>วแ้จเบิดก็จะลาบุตรผู้มาถามเมื่อที่อันจะยินดีอย่างนี้นะนครับนะจบ ก, การอธิบายภูตาโรจนาสิกขาบทราะนี้จบนะครับ พี่กิจเขา้าไล่ฟังพี่พี่สาวพี่กิจเขาเป็นบ้านหนักขนาดว่ารับสภาพตัวเองไม่ได้นะคะ่าตัวตายครับมันก็จะกินยาค่าตัวตายตอนแรกเป็นคนปกติธรรมดาแหละนะทีนี้มันก็ไปโดนของะครับของมอลอยมาตานลมยังไงนะแลลอยมาตานลมอยู่อีท่าอะไรี้ไม่รู้นะครับยูดีก็เกิดเป็นขึ้นมาพอเป็นขึ้นมาจะควบคุมตัวเองไม่ได้น ะ, ะตอนแรกเขาจะชอบ ชอบคนแก่นะครับชองเลี้ยงดูนะอุปถัมภ์ร่างใช่ชอบคนแก่พอเกิดเป็นบ้าขึ้นมาคลั่งนะจะทำราร่างกายคนแก่นะครับการเป็นคนยเลยนะแล้วก็ไม่สามารถจะคุมตัวได้นะครับตรงนั้นน่ะเมื่อเป็นบ้ากัเลยพอเกิดมันก็โดนของโดนอะไรนั้นนะมันจะเป็นครอบคลังนะครับเขาก็ไม่อยากกันอย่างนี้แหละนะแต่ไม่จะแก้ไังไงพะเกิดอาการก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ แค่พ okay. นันก็าน็บอกว่าเขาก็หายาพาไปหาหมอหายานะเอยยายาแพงๆเลยนะมาชื่อนักสานะครับมันก็หน้าหยุดพักหนึ่งพ่อได้กินะยาใช่ไหนีนะ่ก็เป็นอีกนี่ก็เป็นอีกนะครับเขากขอาผู้หญิงเนี่ยรับรับประท่าตัวเองนะไม่ได้นะก็เลยฆ่าตัวเองตายรูหน้าของสารมากนะเป็นอย่างี้นอาจารย์ได้ยินเรื่องตรงนไม่เคยมาที่ของมาลอยมาตามลมใช่ไหม คนทาน่ะคือว่าคนที่เมีวิชานะเก็จะปล่อยตรงกัะทบวันค่ะอ๋อครับแล้วแต่แล้วแต่เขาเขาก็จะไม่ได้สนใจแล้วคือว่ามันการฝึกในตัวอ๋อครับเขาก็จะปล่อยแต่นี่ใครจะไปโดนรับกรรมนะแต่เขาไม่รับผิดชอบด้วยจนเมื่อก่อนเนี้ยโดนหน้าที่บ้านเป็นกะเหรียงกเรีที่นี่รยงไทยใหญ่เลอมครับ แต่เดลี่สเตรทไม่มีคือคือที่เรียนนะเรียนเรียนําอย่างเดียวครับที่มีการเรียนแก้เจ้าทางภาคเวนือรับกาที่นุ่งที่จุนครับที่จุนพรก็จะมีหมอที่เรียกนะที่เรียกคืเขาจะเอาเข้าไปไปทำวิธีเรียกก็จะเอาใบบอนครับวล์บอลไปทำบางทีตะปูเนี่ย อโอ้ออาะไรนาะข่าวขัาวไม่เป็นไรนครับนะ